أ عوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنكما و م تعبودون. إ ل ا م ن هُوَ ص ا ل ِ ح إ ل م ن ه و ص ا ل ح لكن عباد الله المخلصين. وكتفوا به فسوف يعلمون. اسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا م ن يهدي الله فلا م ُ ض ل َ د و م ن ي ض ل ل فلا ه ا د ي له وشهد الله إلى إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن م ح م د ا عبده ورسوله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 وهو السميع العليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد ا ل ر س و ل اللهم إني أعوذ بك من الكسل و ا س و ء الكبير رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمي وعافني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورب ن ف س ه و ز ي ن ة أرشه وملد كلماته يحيي لا قيوم ب ر ح م ت ك أستغثث أصلح لي شأن كله ولا تكن ي إلى نفسي طرف عين حسب ียาห์และนิยามรุกีลพัสบิยาห์และนิยามร ا ل ل ا م عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah พี่น้องที่ร่วมนิมาัสโบที่มัสยิดอันบาริสุนาที่รักทั้งหลายครับแบบพี่น้องที่ติดตามกับที่นั่งติดตามอยู่ที่บ้านของท่านนะครับแต่บางคนก็อยู่ที่ตลาดนะครับนั่งขายของอยู่ ด้วยความเมตตาขององค์สุรพาณหัวตาลาเป็น้องกับมุสลิมเนี่ยต้องเรียนหนังสือทุกคนต้องเรียนทุกคนเอาความรู้เรื่องอย่างนี้มาพูดได้ยังไงพระพระอาวุสั่งอายาแรกที่ประทานลงมาให้กับนบีมุฮัมมัดเหมือนขั้นการให้แก่พวกเรานี่แหละอุมาศมาบินมาทุกคนต้องเรียนหนังสือ เลยอิมามบุคลรีนะอิมามบุคลรีนะได้ตั้งหนังสือท่านนะ่ะหัวข้อตัวใหญ่เลยะอยกบกับวลามาเลเรียนก่อนแล้วทางานทีหลังอะไรงบกับเวลามัเลศึกษาหาความรู้ก่อนแล้วออกไปทางานทีหลังจะเป็นงานอะไรก็ตามแต่งานจะว่ากัาก่ต้องเรียนก่อน ถ้าไม่เรียนจะไปสอนสอนอะไรมันต้องเรียนก่อนไอ้คำว่าเรียนจะเรียนจากอัลกุรอานก่อนความรู้ต้องเรียนจากอัลกุรอานแล้วเรียนจากสุนรรัขนบีถึงจะไปอธิบายให้ให้พระยาให้ลูกหลานฟังทาไม่มีความรู้เด็กรุ่นใหม่ในมลามจะตายไปล่ะจะต้องเรียนอะไรบุคคลละทำอ เรียนก่อนศึกษาหาความรู้ก่อนถามว่าอายุหกสิบเนี่ยเรียนได้ไหมเรียนกุรานายุหกสิบได้ไหมได้อาดูสุฮ า, าบั้นอับดุลเาะหก่อนจะเข้าเรื่องในละคุยก่อนพ่อของท่านอบูบักโรดิยอลลอาะหอันดุท่านอาบูบักเป็นคอริฟาใช่ไหมเป็นเพื่อนท่านนาบีมุฮัมมัดนะคุณพ่อท่านเนี่ยรับอิสลามตอนอายุเท่าไหร่หรู้ปะ ลูกรับก่อนพอยังไม่รับรับตอนอายุ80รับอิสลามตอนอายุ80ทมอายุ80น่ะหนุ่มหรือแก่นึกภาพไปสิแล้วก็พอเรียนพอรับอิสลามปับเริ่มเรียนุูอารเลย มาเชื่ในลิบบาตานั่นเขาอ่านกุรานเขาอ่านภาษา阿拉伯ได้อยู่แล้วหาความหมายเลยอ่านกุรานเลยเอามาดูนบีมุฮัมมัดเริ่มอ่านกุรานอายุเท่าไหร่เท่าไหร่สี่สิบฉะนั้นเรื่องคําว่าสายไม่มีอคุณพ่อท่านคุณพ่อท่านอบูบักอายุแปดสิบนะเริ่มอ่านกุรานแล้วก็นบีเนี่ยอายุสี่สิบ เพิ่มมาอ่านอัลกุรอานแล้วบรรดาซอบาลนบีอ่านกุรอานตอนรับอิสลามพอรับเช้าเย็นอ่านเลยแล้วอ่านกุรอานแล้วเป็นยางไนพี่น้องได้ความรู้เยอะมากเลยสติปัญญาเราจะเปิดหูเปิดตาเราเนี่ยเอาไปหลักธรรมเลยลฉะนั้นพยานาบีก็อ่านกุรอานเป็นไม่ใช่อ่านแล้วท่องจำอัลกุรอานด้วยถามพวกเราอายุ6กสิบอ่านกุรอานแล้วท่องจงวรลัยญาได้ห นีท่เนียตทองจําวันละหนึ่งอายะเนี่ยแล้วปีกเท่าไรสามร้อยหกสิบห้าอายะอัลลอฮฺอักบะยืนอ่านตะหัดยุดคนเดียวที่บ้านนาสนางามไหละยกมือมันนมาดไปอ่านกูอ่านไปอัลลอฮฺอัลกุะทองจําท่องจําแล้วรู้ความหมายด้วยอัลลอฮอลกุบะมันยิ่งใหญ่จริงๆนี่ฮาบฟุตอิมรนั่งอยู่นี่มาชาติเินนี่อ่านกูอ่านสบายใจอะแล้วเป็นหนังสือเล่มเดียวนะ พาเราเข้าสวรแล้วสามารถเป็นทนาให้เราด้วยในวันเตียมากกูอ่านจะพูดได้นมา จ, จะพูดได้ Allah สามารถอตทิตย์นี้จากากู้อ่านหมดเลยนะครับอขอบคุณ Allah วันนี้เรามาถึงสุร่าอัลซอฟาตอายะที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนะครับวันนี้นะประเด็นที่าวันนี้มีอยู่สามเรื่องใหญ่ๆเอาประเด็นก่อนนะหนึ่งเรื่องชัยตอน ไซตอนมันทำหน้าที่อะไรเรื่องที่สองเรื่องมาลาอิกะเรื่องที่สามวันนี้นะพี่น้องนบีชาวกูเรชในนคมกกรมะกั่งเนี่ยก่อนที่อิสลามจะมาเนี่ยพูดว่ายังไงอลัลลอ์เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังเรื่องที่สามญาตินบีที่เป็นชาวชาวกูเรชมะ ก, กั่งเนี่ยโคดพูดเกี่ยวกับ เกี่ยวกับนบีมัมัดเกี่ยวกับคุรานเกี่ยวกับนบี ว, ว่าอย่างไรพูดดีมากเลยนะแต่เวลามาจริงๆลราไปไงไล่นบีอะามาดูคุรานอายาที่หนึ่งรอยหกสิบเอ็ด فإنكم وما تعبدون فإنكم وما ฟอินนักุมนี่แปลว่าอะไรรู้เปล่าก่ อ, อนหน้านี้อันนิดหนึ่งนะครับสุรท่ที่อายะที่หนึ่งล้อยห้าบแปดะวาล้วก็ the ع ل น ا ت ي ل جين ناتو إن نهوم لا م ح ر و ن ที่ผ่านมาอาทิตย์แล้วนะว่ล้วก็ the ع ิ م ا ت น ل جين ناتو إن نهوم لا محضرون แปลว่าแ น, น่นอนยิ่งพวกยิ่ง ยินห น, น, น้ามาพวกยินยินนี่เรามองไม่เห็นตัวนะแต่ยินมันมองเห็นเราเนี่ยลอนล่างเนี่ยเราฟังฟานน่ะที่มองมาและยินนี่มันรู้นะว่ามันเนี่ยจะต้องถูกลงโทษและมัวหดารูแปลว่าจะถูกนําเอามาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์เพื่อตัดสินลงโทษคําว่ามัวหดารูเนี่ยนํามามาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ ใครที่นามาอยู่ต่อหน้าอาลัลลอฮ์เนี่ยลงโทษหมดนะอลัลลอฮ์เปิดบัญชีถ้าอาลัลลอฮ์เอาบัญชีมาเปิดนะลงโทษหมดสนะัญญาให้ย่าให้ย่าให้อัอลลอฮ์เช็คเช็คเช็คบัญชีเราเลยนะแต่ยินมันรู้ไหมรู้ว่ามันนี่จะต้องถูกเช็คเช็คบัญชีแล้วเอามายืนอยู่ต่อหน้าอาลัลลอฮ์เพื่อโลโลการลงโทษนะยินรู้ไหมรู้รู้ วันนี้นะครับฝ a i n น a ก u m ุ a มว่ามาตาบูดูฝ่าย น, นักลุมแปลว่าแน่นอนพวกท่าน <c oughs> พวกท่านนี่หมายถึงกลุ่มไหนนี่นะพวกที่เขารคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอสูลและไปกราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ว่ามาตาบูดูและที่พวกท่านสักการะบูชา ฝยอิมนาคุมแท้จริงพวกท่านคนที่แอนตี้อิสลามคนใหม่นะแอนตี uran, ้คุรานแอนตี้สุนนะนบีในโลกนี้เยอะไหมล่ะแต่ความจริงคุรานนายอดเนี่ยเล่าให้นบีฟังเฉพาะในลครมักกะอย่างเดียวมแต่ว่าคุรานไม่ใช่อธิบาร์เฉพาะคนมักกะวันนี้อธิบาร์ทั่วโลกเลยใช่ไหมล่ะฉะนั้นใครที่ไม่เอา Allah, เอาัลลอฮ์ไม่เอารอสูลไม่เอากุรานไม่เอานาบี ใช่ไหมเพราะอิมานหข้อเนี่ยไม่เอาและอิสลามอีกกี่ข้ออีกห้าข้อเป็นสิบเอ็ดข้อเนี่ยปฏิบัติให้แน่นนี่ยเราเตือนนะตวอินนั ก, กุมนี่เล่าให้นาบีมุฮัมหมัดฟังและแน่นอนพวกท่านว่ามาตาบูนและหวงเล็บนะในจเจวิตอ่ามาจนรูปปั้นจเจวิตที่พวกท่านตาบูนเคารพ บูชาอะเยอะไหมล่ะเหมือนมุสลิมเราวันนี้ยึดอัลลอ์ด้วยแล้วก็ยึดอะไรอีกโตตะเกียร์ใช่หรือไม่ใช่แต่พวกเราไม่มีเรืเลิกหมดแล้วแล้วคนที่ยังไปหาโตตะเกีย์ยังมีไหมมีมีญาติผมอยู่คนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าญาติพยาเขา ผ, ผู้ชายเป็นญาติอยู่เป็นสุขเนี่อ่าไปเอ่ยชื่อว่าที่ไหน เขาพยาเขาเนี่ยกะที่บ้านเนี่ยโอ้โหไปหาโตัวตะเกียกันหมดเลยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเรือมันจมวันนั้นเรือมันมันล่มอะเกือบตาย ต, ตายแล้วตายแล้วคนหนึ่งเออมาสำนึกตัวทีหลังคนทำความดีทำไมจะต้องมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาอธิบายดีกับแบบนี้ียูนุสน่ะสิโอ้โหโู่นอธิบายเป็ น, น่น <c oughs> ก็ปล่อยไปนะครับ สำนึกตัวเยอะแต่คนที่ยึดอัลลอ์ได้เละยึดสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์เป็นที่พึ่งทางใจนะพึ่งอะไรก็ได้พึ่งอย่างเดียวก็พอเลยนะอะไรที่เขาเคารพเป็นอิลาหมดเลยที่เขาเคารพนึกในใจว่าสิ่งนี้นะช่วยเขาได้นะี่มันเป็นเป็นเป็นอิล่าและอิลหาห้าใช่ไหมมุสลิมจะต้องประกาศนะ อีลาเรื่องพระเจ้าจวเจวิเล็กเล็กพระเจ้าย่อยๆในโลกนี้ต้องไม่มีมีอะไรนะอินลลอมีอัลลอฮ์องค์เดียวนี่คือเป็นมุสลิมถ้ายังมีสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์อีกนะไม่ใช่มุสลิมแต่อัลลอฮ์เลี้ยงไหเลี้ยงอเอาบ้านไปเอาตําแหน่งไปเอาตําแหน่งสวอาไปเลย ตำหน่งงินอาไปเลยเงินเดือนอไปเดือนละหมืนล้านอไปเลยเองได้โลกเดียวน่ะเองลงตายดูสิฉะนั้นอย่าเล่นกับอัลลอ์อัลล์สัญญานีรุานทุกอ่านทุกวันอ่ะอัลลอ์มะเรฮัยรุ์มานกับรุฮความหมายต่างกัน่ะนรุฮ์มะหมายว่าดูแลคนไม่เอาอิสลามไม่เอาอัลล์ไม่เอารอซูลดาอัลล์ดารอซูล เชื่ออะไรน่ะนารมกุลเพชรเพชรทองเพชรเทิงอะไรนะ่ะตีดาอัลลอฮ์น่ะดาถ้ะะามันดาไปเถอะเดี๋ยวเอ็งตายเมื่อไหร่นะถ้าไม่ตาบ้าตัวน่ะเอ็งถูกแน่ๆนะถูกตั้งแต่จับใส่โลงแล้วอย่างนี้เป็นต้นฝะะ่นนายนักุมว่ามาตาบูดูแน่นอนพวกท่านและเจวเวทที่พวกท่านสักการะ บูชานั้นอายาที่หนึ่งรอยหสิบสองมาอันตุมอาไลบิฟาตินีนมาอันตุมอาไลบิฟาตินีนฟาตินเนี่ยมาจากฟิทนะ ه, ฟาตินเนี่ยผู้ ผู้ล่อให้เป็นศัตรูคือสร้างฟิทธนะมาอันตุมพวกท่านมิสามารถอะไรหิต่ออัลลอฮบิฟาตินินล่อลวงให้เป็นศัตรูอธิบายอย่างนี้จเจวิตหรือว่าชายตอนคนที่ไปกราบไปกราบไปกรา บ, ราบจเจวตเนี่ย กับคนที่ไปหาตนตะเกียร์น่ะใครพาไปหรื่าใช้ตน้นแต่ใช่ตอนเนี่ยมันยังไม่พานะเจ้าของเองเนี่ยต้องปฏิเสธอลัลลอฮ์ก่อนแล้วก็นึกนึกว่าสิ่งนั้นสักศิษย์พอนึกว่าสิ่งอื่นสักศิษย์ชาตอนมาเลยชาตอนมันก็จ้องมันจ้องอยู่เนี่ยจ้องและชาตตอนเนี่ยอยู่ข้างหลังน่ะ กูรานาย่างไหนครับอันดี่ียูวัสวิสุฟีสูลูรินนยิลละไตรเ น, นี่ยมันสร้างความสับสนขึ้นในหัวใจของมนุษย์มันแอ บ, บอยู่ข้างหลังพอเราไม่มีอิสลามไม่มีสุนนะนบีไม่เข้าใจเรื่องอัลลอฮ์ปาบเน่ยนะพอเราเนึกว่าไอเนี้ยศักดิ์สิทธิ์ปั๊บมาเลยนี่ลเล่า มาอันตุมมาไลาบีฟาตินพวกท่านหมายถึงพวกเจเวตกับพวกไซกรทั้งหมดไม่สามารถที่จะฟาตินแปลว่าล่อ ล, อลวงผู้ใดนะมาเจ้าฟิชทนาเนี่ยสร้างความเจะร้อหรือล่อลวงให้คนเนี่ยทิ้งอิสลามได้หรือล่อลวงให้คนแขกที่เป็นมุสลิมเนี่ยไปหาตอตะเกียดได้นะ ไซตอนมันล่อไม่ได้หรอกนอกจากเจ้าของตัวมันเองตัวมนุษย์นี่นะนึกเองคนนึกเองครับ เ, เข้าทางเข้าทางไซตตอนเลยทีนี้ไซตอนนี่นะมีอํานาจกับคนสิบเอ็ดกลุ่มนี่จะฮัตติสมดเลยนะคุณสุให้ฟังนะกลุ่มที่หนึ่งไซตอนมันชอบไปที่ไหนเดินไปไ ป, ไ ป, ไ, ป, ไ, ปไปชอบนะชอบ ไปสถานที่ที่คนที่ทําชีริกาที่ไหนทําทชีริกเนะี่ยสถานที่ที่ทาชิริกมันช่วไปสถานที่ที่ทรยศต่ออัลลอฮ์สถานที่ที่มีการสินาที่ไหนอ่ะที่บ้าไงไม่ครับใช้ไม่แล้วที่บอนการพนังไม่ใชหมดเลยเนี่ยใชตอนไปอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยแต่เรามองไม่เห็นแต่น บ, บีเล่าให้เราฟัง เรื่องที่สองสถานที่ที่มีเสียงเพลงกับเสียงดนตรีชตอนชอบไปอยู่ถ้าเราเปิดเพลงในบ้านเรามันก็เข้าบ้านไหมมันขออนุญาตไหมไม่ต้องขออน๋นี่พรเราเรียกมันแล้วนะมาเลยแค่เปิดเพลงกับเสียงดนตรีอย่างเดียวชายตอนเข้ามาเลยครับเรื่องที่สามชายตอนเนี่ยมันชอบ ชอบผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่ด้วยกันสองต่อสองก็ใจง่ายใช่ไหมผู้หญิงกับผู้ชายนะไม่ใช่สามีภรรยากันนะผู้หญิงกับผู้ชายที่อยู่ด้วยกันสองต่อสองเนี่ยไม่ใช่สามีภรรยาไม่ใช่พี่กับน้องด้วยแต่เป็นคนอื่นเนี่ยพออยู่ด้ยกันปั๊บนะใช้ตอนมันเข้าเลยจับมือสิกอดสิหอมสิอ้าวเด้อโลตามมาเต็มเลยจะครับ นี่ผลจากการวามศาสนานเนี่ยเราช่วยเยอะเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องที่สสถานที่ที่มีพวกผู้หญิงปล่อยผมไม่คุมใหยายบทาลิปสติกทาปากแดงแดงไว้เล็บยาวๆโอ้โหนี่มันคุมหมดเลยเนี่ปัจป จ, จบุบันนี้มีหรือ่าโอ้โหเต็มเลยใช่ไหมว่าใช่จะตอนช่อกสถานที่ตรงนี้ผู้หญิงนะ <laughs> ผู้หญิงจะเป็นกี่คนก็แต่เอาร้อยคนหรือพันคนหรือหมื่นคนแล้วก็ก่อยผมในคุมพิยาบแล้วก็ทาลิปสติกแดงๆหรือไม่ทาก็ได้แล้วก็ใส่น้ํำหอมเอาไว้เล็บยาวๆชายหมดเลยครับชะตอมชันชอบอยู่กับคนเหล่านี้เรื่องที่ห้านะครับสถานที่ที่หรือว่าบ้านบ้านที่สามีภรรยาเนี่ยคุยกันไม่เคยสามคำ ล้วทำอะไรด่ากันทะเลาะ ก, กันบางทีก็เมียก็เอาพระโทรศัพท์ควางบ้างเอาหัวก็เตะบ้างอะไรบบนั้นแหละที่ตรงไหนที่สารมี่ภรรยาทะเลาะ ก, กันบ่อยใช้ตอนชอบไปอยู่ตรงนั้นไม่ต้องเรียกมันสถานที่ที่หกสถานที่ที่ผู้คนไปหาวิศกีเช่นแหล่งการพร น, านัน แล้วก็ในบอลในสนามมวยที่มีการเล่นการพนันกันหมดนะสถานที่นะั้นไซตตอนจ้องไปอยู่เลยนี่นบีเล่าให้เราฟังนะท่านนบีไม่เล่าจะรู้ไหมเราไม่รู้เพราะเพราะเราไม่เคยเห็นไซตตอนเนี่ยต่อมาข้อข้อที่เจ็ดไซตตอนมันชอบอยู่ในสถานที่ที่ศกก ร, รกโปกนึกที่ไหนบ้างในซ่วมสกรรกรโปก ในกองขยะสปกปรกที่ไหนมีสิส่งสกปรกเยอะๆนะไสตอนไปอยู่ตงงรงนั้นเห็นอย่างครับนีนบีละเล่าเราฟังเห็นยังนะเรื่องที่แปดไสตอนเนี่ยชอบเด็กอ่านี่นี่ขอบคุณนลล์ะนะชอบเด็กตอนอายุเท่าไหร่หกเดือนหเดือน 7, เจ็ดเดือนเดือนสองเดือนเนี่ยพอคลอดออกมาใหม่ๆเนี่ยมันมันไม่ได้แก้ง ทุกๆๆทุททนาทีหรอกนั้นนามันแก้งทีหนึ่งเช่นตอนกลางคืนตอนตีสามเด็กมันร้องเด็กได้สี่เดือนเนี่ยร้องไอ้แม่ก็เอาดูท้องมี ม, มดกันหรือเปล่ามันก็ร้องอยู่นั่นแหละร้องๆแม่ต้องชลาต้องนึกไอ้ร้องแบบนี้ใส่ตอนแนนเลยแล้ววิธีทำทางไห ร, รู้ไหมอ่านสามกุ้นยกมือขึ้นก่อนแล้วก็เป่าก่อนนะ อ่านคาณขุนคุณวรรก็บลูกไปที่ตัแต่ศีรษะลูกเราเนี่ยทาอย่างเงี้ยสามครั้งหายเรื่องไม่เกิดที่บ้านผมเองเอ <c oughs> ผมตื่มาตอนที่สามมาทานจอยู่ลูกเอาเอาหลานมาอาบ้านเนยลูกร้ตั้งแต่ชั่วโมงว่ามาๆผมอามาวางังจีตตาก็ต้องอาา่อานสามขอ่านพออ่านจบสักห้านาที หาเลยร้องวร้อดูวยอะได้วยเห็นยังเนีอิทิพลไซต์ตนหมดเลยอ่ะเอาต่อมาเรื่องที่เก้าไซตตอนนี่นะัะช่อผู้หญิงที่ตั้งคันที่อุ้มคันไปต้องจำไว้เลยนะบันทึกเก็บไว้เลยนะไซตตอนเนี่ยช่อผู้หญิงที่ตั้งฉะนั้นผู้หญิงที่ตั้งคันทําอะไรดีที่สุดนั่งเล่นไพ่เอางั้นเหรอหรือนั่งดูดละคร หรือนั่งฟังดนตรีไม่ใช่ครับนั่งอ่านอัลกุรอานเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดเลยท่านภรรยาเราต้องต้องมีศาสนาด้วยนะอย่าดันทุรังทนหา น, น, นมุสลิมทั้งาก็ต้องระวังตัวนะนะครับเอาต่อมาข้อที่สิบช้ตอนเนียไปอยู่ในที่นอนหรือบนเตียงที่สามีภรราร่วมหลับนอนแล้วไม่ได้อ่านอะไรไม่ได้อ่านอุอาบิสมิลลาห์ก็ไม่ได้อ่าน ร่วมหลับนอนกับภรรยาบนเตียงเลยนะใส่ตอนมานอนด้วยมันก็ร่วมหลับนอนกับภรรยาเราด้วยเหยน็นอย่างนี้นะบีดละเมื่อท่านับละดุอาที่จะต้องอ่านบนที่นอนก็คืออัลลอฮุมะจันนิบนะใส่ตอนบูจันนิบใส่ตอนมาเราสักตอนน่ะนี่ต้องเรียนคนเลยถ้าไม่เรียนนะใส่ตอนมาอุดัยพวกเต็มเลยวันนี้ ตระมาณข้อที่ข้อที่สิบเอ็ดใชตอนอยู่กับลูกหลานที่ไม่นมามที่ไม่อ่านอัลกุรอานที่ไม่วิกรุ่นล่อใช่ไหมนี่เขาจอโจงนะลูกหลานที่ไม่นมามันจะเตือนลูกนมามกันนะลูกเอ้ยนมามกันล้อ่านกุรานด้วยนะวิกรุ่นล่อด้วยนะขอดูอาด้วยนะท้เล่ลูกหลานมาไปนมามไปนมามไปนมามอ่านคุราน เนี่ยเอาครูมาสอนอุบานตอนเย็นๆที่บ้านนะ่ะช่วยได้เลยนะช่วยไม่ให้สตอนเนี่ยมาอยู่กับลูกของเราเนี่ยถ้าถ้าเราเข้าใจอิสลามนะอาจารย์นิมรอนหาเฟรนดะ์น่ะไม่มีเวลาว่างหรอกอนะ่ะต้องสอนบันนั่นบันนี้แต่นี่เพรมมาะเราไม่เข้าใจเ ก, ก็ตกงานนะ่ะฉะนั้นพราะเราเข้าใจศาสนาทุกคนมีงานอาชีพทํากันหมดเลยนะ อ่านคุรานบัดจึงต้องให้รูกอ่านกุรานได้ทุกคนถามว่าอายุหกสิบอย่างเราเนี่ยอ่านกุรานใหม่ได้ไหมทําไมยันไม่ได้อะอันนั้มันถูกก้องตามการยึดยิ่ได้หรือไม่ได้ได้เรามาหาผมให้แปรช่วยแปรให้ไม่เอาตังค์รออย่างนี้เป็ตนตันตัลวงว่าในตอนนี้มาชอบกี่ที่นะสิบเอ็ดที่ด้วยกันี่แล้วก็ขอฝากไว้นะครับทีนี้บุรุษอาจาย์นี้เตือนนะ มาอันตุมอาเลยบิฟาตินีท่าท่าสิบเอ็ดที่นี่นะเรามีอัลลอฮฺรอสซูลอยู่นะมันเข้าถึงมัชชีตอนเข้าไม่ถึง นี่อัลลอฮ์เล่าเนมาอั้นตุมาอะไรที่บิฟาตีชายตอนไม่สามารถที่จะลอ่อผู้ใดให้เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์ได้นอกจากตัวเองทําเองไม่อ่านกุณอ่านเองไม่จิกรุ่นล่อเองไม่นึกถึงอัลลอฮ์เองไม่มีน้นําละหมาดเองไม่ละหมาดเองพอไม่ลมาดปั๊บทะเลาะ ก, กับเมียปั๊บชายตอนมาทันทีแบบนี้สบาจใจยังอ่านคุณอ่านสบ า, ายใจใช่ไหมโทษฉะนั้น เมื่อไซตอนมีอิทธิพลถึงขนาดนี้นบีสัง่งอยาดา่าไซตอนด่าคนเนี่ยเอเลาห้ามเปล่าห้ามแต่นิสัยเป็นอย่างนี้นะคนมีเวลาถูกด่าเนี่ยโกรธคนนี่นะด่าภรรยาเราเนี่ยถาภรรยาโกรธหรือไม่โกรธโกรธภรรยาด่าสามีโกรธหรือไม่โกรธโกรธแต่ดา่าไซตอนไม่โกรธ ดา่าชายตอนชายตอนไม่โกรธชายตอนยิ้มเลยมึงด่ากูมาเยอะๆสินี่นบีสอนเองมีอยู่ครั้งหนึ่งซาบา้นนานนบีกับซาบา้นานนบีเนี่ยขี่บนหลังอูดอูดเดินไปเดินไปอูดปันกิดประโจนซ า, า, า, า, า, าบ้านก็ด่าอูดเมืนเดียว่านอย่าไปดา่าพอด่านะดา่าชายตอนนะชายตอนเนี่ยพอดา่าชายตอนชายตอนมันเหิมเลย พอเหอนภาพบรรดาค้งใจด่ากันมาสิด่าอีกสิฉะนั้นให้ขอดวงอาอย่างเดียวอาซุบิลไลมินัลไซตตอเนิรดีนักญดาด่าคนเดาแก่าด่าไซตตองกับด่าคนเหมือนกันยังมากด่าคนเนี่ยมันก็มโหแต่คนในนิสสนาก็มโหเปล่าเขาไม่มโหอ่ะคนนั่งยิ้มด่าไปสิบุลบุญกูด่ากักูหมดเลยอ่ะไม่เนี่ยเนี่ยพอเราฟังศาสนาบอัลลอ์บัดมันยิ่งใหญ่ฉะนั้น ย่าดาชัยตอนอย่าดาอัลลอฮ์ย่าดาวันเวลากลับมาหาตัวเองหมดเลยแล้วก็ชายตอนเนี่ยยินดามันยิ่งคึกนะมันยิน่งขนองนะมันยินนองอ่งได้อะได้กำลังใจอ๋อเหรท่านให้อ่านดวงอัลลอฮุซุบิลลาฮิมีนัสไซยิคอนินรยีผมนึกถึงตัวยอดเล่มนั่งอยู่ตรงเนี้ยผมพูดเรื่องอะไรนะจะนอนกับภรรยาให้อ่านดวงยอดเล่มมา กูไม่เคยอ่านเลยกต่ได้ลูกดีๆมาเยอะทำตัวเรียเราจะคุ้มครองอยู่แล้วยังได้ความดีอย่างอื่นมานะทำดูดีแล้วเอาต่อมาครับคนชายตอนจะเข้าไปหาใครอายาที่163อิบสามลลามันฮัวาซาลิลจหีมอิลลามันฮัวาซาลิลจหีม อิลาเว้นแต่มันผู้ที่ซอลี่แปลว่าไฟที่ลุกไหม้ยาฮิมแปลว่านรกไฟที่ลุกไหม้ที่นรกคนที่อยากจะไปนรกเองทางหางที่สายตอนเข้าไปไปสนับสนุนโครงการนี้มันจเจริญก้าวหน้าตลอดเวลาเลยเห็น ไ, ไหมนี่เราเล่าให้นาบีมอมาดฟัง ให้พวกเราได้รับรู้ว่าใช้ตอนนไม่มีอิทธิพลอะไรหรอกมันอ่อนแอจะตายไปแต่ที่มันเข้ามายุ่งเพราะเราไปเรียกมันมาเองใช่หรือไม่ใช่ใช <c oughs> เราต้องการจะไปนรกเองน่าจะเอาล็อ ก, กําหนดให้คนคนนี้คําว่าเอาล็อ ก, กําหนดเนี่ยนะให้เรากินเล่าเอาล็ อ, ลอ ก, กําหนดพูดไม่ได้อะก็เอ็นไม่ได้ฟังศาสนาแล้วล็ฟังศาสนานี่นะทุกคนได้ไปสวรรค์หมดน่ะใช่ไหมละ่ะ ฉะนั้นอย่าไปโทษอลออย่าไปโทษอลอแต่ไม่เป็นต้นตกลงว่าชายตอนนี้มันรู้นะพอะเราเอาปฏิบัติ11ข้อนะนะปั๊บเมื่อไรนะนั่ น, นแหละโอ้มันก็เข้ามาเลยที่จะจูงจะหมูกให้คนเหล่านี้เนะนี่ยหลงหลงหลลงในในทางที่ผิดผิดนะครับอา้าวตอมายา่าทีนั้น164 วมามิหนาอิลล่า له مقام معلوم วมามิหนาอิลล่า له مقام معلوم อัลลอฮฺกับบออายะที่หนึ่งร้อยหกสิสีนี่พูดเรื่องมล ا อิกะอ่าเห็นไหมก่อนหน้านี้อเรื่องใส่ต่อนี่เรื่องมล ا อิกะแล้ว มามินนาะแปลว่าไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเราเ <c oughs> นี่ยเราเล่านาะว่ามาลายกาเนี่ยพูดว่าอย่างไงเล่าให้นะบีฟังใช้มล า, ายกาพูดเองนะเยยังเราพูดแบบมาลายกาบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> ว่ามามินนาะไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเราอินลานอกจาก ละหูแต่ละแต่ละมาลัยก์แต่ละองค์แต่ละองค์นั้นมากอมมูลมากอมมากอมมากอมมะกอมแต่ว่ามีที่มีสถานที่มาลูมเป็นที่เข้าใจกันแล้วเป็นที่รู้กันแล้วอธิบายอย่างไงมาลกยกาทุกองเนี่ยมีหน้าที่รู้แล้วว่าตัวเองจะต้องทำอะไรบ้างเห็นไหม อัลลอฮ์ให้มล า, ายกาเลยแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์งมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างมล า, ายกาเล่าอัลลอฮ์ก็เล่าให้นบีฟังว่ามล า, ายกาพูดแบบนี้นะฉะนั้นเราเองต้องรู้ว่าเรามีหน้าที่อะไรบ้างถ้าเป็นมุสลิมมีหน้าที่อะไรต้องอีมากี่ข้อหก ข, ข้อถัดเรียนเรียนเรียนหรือว่ามามาอย่างนี้เลยมาถึงบ้านเลยกำลังนอนนอนอยู่ความรู้มาถึงหมอนเลย หรือต้องเรียนเราต้องรู้นะ้า<ม>ที่เราต้องเรียนหนังสือนะต้องหาความรู้จากโบราณนะส่วนมาลายิกาเนี่นะคําว่ามีแต่ละกลุ่มของมาลายิกานั้นมันก็ได้มีที่ที่กําหนดไว้แล้วในชั้นฟ้าอ่าเรื่องแรกนะเรื่องในชั้นฟ้าก่อน ในชั้นฟ้านี่ไปนั่งรับมลัยการนี่เต็มไปหมดเลยเรามองไม่เห็นน บ, บีเ่าเองนะสี่นิ้วเอามือเราขึ้นมาสี่นิ้วเสีแม้แต่สี่นิ้วอย่างนี้นะครับไม่มีที่ว่างแม้แต่สี่นิ้วบนชั้นฟ้านี่นะมลัยการเต็มไปหมดเลยครับแต่เรามองไม่เห็นนะ่ะมลัยการบางกลุ่มเนี่ยกำลังยืน อ, อยู่กอดอกตั้งแถว มาเลกาบางกลุ่มตั้งแถวสุญูดสุญูดตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ยังไม่ได้เงยเลยนะมาเลกาบางกลุ่มกาลังกลัวอยู่ยังไม่ยังไม่ได้เงยเลยนะลลลกกอย่ะรอเมื่อนะจะสั่งให้เงยอ่นนะแล้วมาเลกาที่เอาอะไรนะเอาที่เป่าเป่าวันเปียมาวันเมื่อไหรจะจะตวนเปียมานะ่ะจ้องอยู่ที่ปากเนี้ยรอวันรอจะสั่งนี่ไง ว่ามิมีนา่นอื ا إ ่ล่ะเหลือมีมีมมัลงมไม่มีผู้ใดในหมู่มาัลลาิกาในหมู่พวกเรานอกจากพวกเขาแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มของมัลลิกานั้นได้มีที่ที่กําหนดเอาไว้แล้วไม่มีใครทําหน้าที่เกินหน้าที่คำนี้เลยเนี่ยทาไมรู้ไมเพราะอัลาาาลอฮฺสร้างมัลลิกามาเนี่ยลาอยาซูนอัลลอฮฺามาอามะรุวมวยะฟะลูนมายุมารุน มาเลก้าไม่เคยทอยยศก่อร้องถามมาที่มาเลก้ารับหน้าที่แตว่าเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับที่มาเลกา้าโซโยนะไม่เหนื่อยนี่ต้องการจะเล่าให้มนุษย์ฟังเพราะมนุษย์เป็นมรคลูกเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรประเสริฐกว่ามนุษย์ไม่มีนะมนุษย์มีอารมณ์มาเลก้าอยู่ด้วยแล้วก็อารมณ์ไซต์ตอนอยู่ด้วยอยู่ในตัวเราอันเดียวกัน แต่ท่านเมื่อเราจะทําความดีจะต้องเหยียบอารมณ์ใส่ตอนทิ้งไปก่อนจะลุกขึ้นน้ำมาต่ฮะยุทธเนี่ยวังใส่ตอนจะปลกเราหรอปลุกแ ล, กแลไม่ปกไม่มีทางปกลกหรอกครับแต่ถ้าเราอยู่กับมลัยก้าเนี่ยเนิ่มแปลงฟันอาบ น, น้ําแปลงฟันก่อนอาบน้ํานมาก่อนตะปัดที่นอนก่อนอ่านสามกุ้นก่อนยกมือก่อนแล้วก็นอนด้วยนามของอลัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์จะฉันอยากจะลุกขึ้นนมาต่ฮะยุทนะ ถ้าภาพนี้อยู่กับเรานะอลัลลอฮ์จะให้ตื่นครับหวังไชตอนจะให้ปลุกแล้วไม่มีทางครับจนนี้เพราะเราตื่นมาหนะมาตระหัดยุทธเราเอาเราใช่อารมณ์มาลายการของอลัลลอฮ์มาใช่ไหมมีรางวัลตอบแทนจากอาลัลลอฮ์สุยยุททั้งคืนมีรางวัลตอบแทนเพราะเราต้องเหยียบอารมณ์อ่ะพอส่วนมาลายการนี่อารมณ์ไม่มีนะทําความดีอย่างเดียว ไม่เหนื่อยด้วยแต่เราเหนื่อยไหมเหนื่อยจึงมีรางวัลตอบแทนจากพระองค์ฉะนั้นเมื่อเราได้ทําความดีเดินออกจากบ้านมานมาถิมัสจิตถามว่าเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเหนื่อยเยียบกี่อารม์อ่ะโอ้โหมันไม่เคยมาสุราวะวันนี้มาเนี่ยต้องเยียบกี่อารม์อ่ะต้องอัานตัอ้ายเยอะๆเราจะให้ไปสุราให้ได้เถอะนัดกาจานโบตฟ้าไว้คุณนะนะ <laughs> ผมท้าตินละคนห้าปีคนในการนัดเยอะอย่างนี้เป็นต้นมีผู้บรบลต่อบแทนต้องให้ทำเพื่ออารมณ์นะทำให้ทำเพื่ออารม์เองมาฟรีอต่อมาครับตุลงว่ามาลาอิกาเนี่ยนะหน้าที่แรกคือนะไม่อะไรนะไม่ทำอะไรเกินข อ, อบเขตอยบุญชั้นฟ้าเนี่ยรับผิดชอบดูแล สุญูดนะครับแล้วก็แบกบาลังอัลลอ์อยู่มนหน้าที่รู้กันหมดเลยวันที่ยิบรีมพานาบับมุลับม่เข้าเฝ้าอัลลอ์เนี่ยพอไปถึงต้นต้นอินทรพายรามไม่ใช่นั่นเนี่ยต้นต้นพุษานะยิบรีมแบบมานหน้าที่ฉันหมดแล้วไปหนอต่อไม่ได้แล้วอัลลอ์ให้ความสามารถแค่นี้เซดดรอตินมุนตาฮจุดสุดท้ายคือต้นต้นก้นุษา พาไปไม่ไหวแล้วไม่มีหน้าที่แล้วเห็นไหมหน้าที่ทีตนต้องการจะเตือนพวกเราเนี่ยหน้าที่มันมีอยู่แต่เราชอบชอบละเมิดใช่ด้วยไม่ใช่ให้ทําแค่นี้กูถึงดันกูดังจะทํามากกว่านี้ก็ให้ทําแค่นี้ส่งนบีมาสอนนะให้ทําแค่นี้นะเออเออ เ, ออเออไม่ได้นน้อยไปน้อยไปก็มีชาวบ้านอยู่สามคนไปหาท่านนาบีมันเล่าว่าไปถามยิงอังชางบอกว่ า, วานาบีอยู่บ้านทํำยังไง ก็เล่าวับดบีเนบวชด้วยแล้วก็ลูกขึ้นนมาแต่ฮัดยุดด้วยร่วมดับนอนกับภรรยายด้วยสามคนเนี่พูดว่าโอ้อับีเนี่ยทําแค่นี้เพราะอัลลอฮฺไม่เอาอะไรนบีไม่มีบาปแล้วใช่ไหมเราต้องทําไม่มากกว่านาบดุีพออับีรู้ข่าอับีเรียกสามคนนี้มาได้ยินข่าวว่าเธอเนี่ยจะทําอะไรเกินหน้าฉันนะใช่ไหมแบกมีอะไรหรือเปล่าไม่ได้นะ เท่าทำเท่าที่ฉันสอนพอแล้วอย่าไปทําเกินน้อยกว่าไม่ได้ฉะนั้นนอนด้วยรู้ขึ้นมาตะฮัดยุทธด้วยถือศีอดด้วยแล้วก็หยุดถือด้วยนะครับแล้วอยู่กับภรรยาด้วยไม่ใช่อลลรอจะเอาศาสนาเลยไม่ยุ่งกับภรรยาเลยไม่ได้ไม่ได้ให้ทําทุกอย่างที่นบีสอนทันเป็นแบบเอาไว้มาเลกามีภรรยาเปล่าไม่มีให็นไหม จะอยู่แบบมารีกาไม่ได้เราต้องอยู่แบบมนุษย์อยู่แบบนบีมุฮัมมัดดเงี้แบบซาบานบีเขาอยู่กันยังไงนั่นแหละอัลลอฮ์พอใจต่อมากัออายาที่หน <c oughs> ึ่งรยห้าว่าอินนัลนะห์นุสซาฟุนนี่หน้าที่มารกามีอยู่สามหน้าที่นะ น, ะนะครอญญานอายานี้สุรานี้นะ หน้าที่ที่หนึ่งอยู่บนชั้นฟ้าเนี่ยมีสูญมีมีนั่งมียืนมีมีแบกมันลั ง, อ, ง อ, ลอัลลอฮ์มีสารพัดทำตามที่อลัลลอฮ์สัง่งไม่เคยที่จะทำอะไรเกินขอบเขตเรื่องที่สองว่าอินอละนะฮ น, นฟุฟฟูนซอฟต์เนี่ยก็ได้นะตั้งแถวอ่า ว่าอินนาแท้จริงเรานะนูเราเนี่ยแน่นอนเราพูดสองครั้งนะอินนานะนูแท้จริงเราและเราเนี่ยเป็นผู้ที่ซอฟูนเป็นผู้เข้าแถวเนี่ยเรเ ล, ล่าให้ในบีอุมัดฟังแล้วนัทมะเลยกาก็เล่าเองตัวเองมีหน้าที่เข้าแถวครับ จานั้นแถวที่ตั้งบนโลกใบนี้เนี่ยนะเรียนมาจากมลายกาบนชันฟ้าก็มีครับแถวนั้นครับมลายกะตั้งตั้ ง, ต, ง, ต, งตั้งแถวกลางปีกด้วยนะแบบนกอ่ะสวยไหมละ่ะโอ้โหถ้าเห็นเนี่ยนะโอ้โหมลาิกากลางปีกสวยมากเลยบนชันฟ้าเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังว่ามลายกาพูดอย่างนี้อินนัมุสซอฟูแท้จริงเรานี่นะตั้งแถวบนชานฟ้า แล้วก็กลางปีมัลลิกาไม่ปีกว่ามีปีครับยิบรีนี่มีทั้งหมดหกรอปีเห็นยังครับนบีอยากดูมัลลิกานะครับอยากดูยัเล่าอยากดูว่ะพอสะแสดงปั๊บโอ้โหปีมัลลิกาหกหกร้อปีอ่ะพิดว่ขึ้นลมอ่ะบาลังอ่ะลองกับมหาอานบีเนี่ยตัดโล วันนั่งไม่รู้กี่สิบครั้งร้อยครั้งขึ้นลงได้สบายเลยอันนี้มาตน้นตัลงว่าหน้าที่ที่สองตั้งแถวบนชั้นฟ้าก็มีการอากาศก็มีนึกภาพโอ้นกกลางปียังไงสวยบินนี้มากสวยอัลถมากเลยนะเอาต่อมาเรื่องที่สามว่าอินละนะนุลมุซับบิฮูน อันที่สองตั้งแถวเรื่องที่สามและแท้จริงวะอินนาละนภนุลมุซับเบีฮูนแท้จริงเราแน่นอนเราเป็นผู้มุบบะะซับเรียกแปลว่าสรรเสริญสะดูดีย์ยกยองอัลลอฮฺสุบฮานาหุวาตาละอะไรอย่างสรรเสริญนั้นมนาเลิกการทั้งหมดสรรเสริญอัลลอฮฺหมดไม่มีวันหยุดด้วย ี่ตอนการจะเล่าให้นบีฟังให้นบีมาสอนเรามนุษย์เนี่ยซาอูลอัลลอฮฺวันละกี่ครั้งอ่านสุขห้าอัลลอฮวันละกี่ครั้งอัสตากุรุลลอฮเนี่ยถ้าเช็คได้วันลนะไม่เท่าไหร่สิบห้าครั้งนี่แค่นี้เหลังำนำมาใช่มอัสตรุลลอฮอัสตากุรุลลอฮอัสตากุรุลลอฮนมาที่อัสตากุรุลลอฮไม่ภาคภาคบังคับนะนั่งอยู่เฉยๆอยู่ในบ้านน่ะว่าอะไรบ้าง ด่าคนได้ร้องเพลงได้บ่นคนนั้นบ่นคนนี้ได้แต่ชมมลลไม่เป็นทําไมนี่เล่าว่ามลายิกานี่นะมุซับเบียเป็นผู้ที่สรรเ AH, สริญต่ออัลลอฮ์แสองสอดุดีอัลลอฮ์เห็นไหมฉะนั้นเราเนะี่ยเอาอัคราของมลายิกามาใช้บ้านเอาไม่เห็นมลายิกาเอานาบีมุฮัมมัดเป็นแบบกว่าแล้วกัน ถามว่านาบีเนี่ยด่าคนหรือเปล่าไม่เคยด่าคนครับเคยบ่นภรรยาบป่าไม่เคยบ่นครับเคยตกหน้าลูกไหมไม่เคยครับสวบ้านนบีอมีเป็นพินแสนเลยนะนบีเคยทะเลาะกับสวบ้าไหมไม่มีครับนบีถูกดา่าถูกตำหนิถูกรังแกกับขอว่ า, อ, า, าอัลลอจะอัลลอฮมุมะฟิร์ลิก้าอุมีฟาอินน่ะฮุมลายะเลมูน ผมฟังคลิปอุลมามะอยู่คนนึพูดว่าคนที่ฉันเนี่ยเป็น <c oughs> เป็นชาวสลักพวกเราเนี่ยเป็นชาวสลัฟใครทำบิดาเนี่ยไม่ได้เลยนะไปฆ้ากันบิดาอันนี้บิดาห้ามทําห้ามบิดาแต่ว่านำมาที่มัสยิดไม่มาเข้าใจนะ นมาที่มัสยิดไม่มาเวลาใครพูดไม่ถูกหูโมโหเมีรรมรยทำอะไรไม่ถูกใจด่าอดทนอดกลั้นให้อาภาัยแบบนบีไม่มีเลยบางทีก็ามานมาันกันอยู่ซับหลังๆฉะนั้นคนที่ประกาศตัวเองหมันจะยึดสุนานะานบีต้องมารยาทต้องงดงาม อยู่ซอกหน้าเก็บขยะที่มัสยิดด้วยอ่ะุณมีตัวเสียอ่ะมึงทําไมเราเก็บเอ็มบ้างไม่ได้อ่ะพรานบีเคยแกะนะแกะอะไรนะแกะนุคอมนุวข้อมไปถึงสาเหตเนี่ยติดอยู่ที่ฟ้าผนังนบีแกะนั่งแก ะ, น, น, น, ก น, น, ะ น, นั่งแกะของอัลลอนบีของอัลลอฮ์น่ะยิ่งใหญ่ขนาไหนอ่ะบีมานั่งแกะสาเลตที่มันแห้งๆอยู่นบีก็ไปแกะแกะแกะ น um ี่ว่าอย่าอย่าเอาเศษสกปรกมีเที่มันเก็บอยู่แล้วมือผมจะมาถุยทั่วคุณอยู่อินเดียมาผมกรู้ว่าคนอินเดียมันก็ชอบถุยเหมือนกันนะพอรัฟังศมสนาเยอะๆมันก็ดีขึ้นอัคราก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไอย่างกับฉะนั้นคนที่เป็นประกาตัวชั้นเนี่ยเป็นเป็นเป็นสุนันนะเอาสุนันนบีมาใช้เนี่ยมันต้องรักษามารยาทยาวโมโหเก่ง ผู้จะถอมตนให้สลามกับเด็กเวลาเดินผ่านเด็กให้สลามเด็กซาลาโม่เลยกุ่มคุยกับเด็กทำบุญบริจาคอยู่เส ม, สมอเตือนนะเตือนคนที่เป็นมุสลิมว่าอินาลนานุลมุซาบิหูนและแท<ล>้จริงเราแน่นอนเราเป็นผู้สะดุดีแท้ซ้อ Allah ถามว่ามาลายกาเนี่ยแท้ซ้อมสะดูกดีอัลลอฮ์เนี่ยเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับกูอ่านตรงไหนครับอยู่ซาบิฮุนไลละวันนะฮะลายัฟตารูน nah อัลลอ์สะดูดีทั้งกลางวันและกลางคืนแต่พวกเขาไม่ไม่มีวันหยุดทำไปตลอด วลายสตาซิรู ah และไม่เหนื่อยและไม่หมดแรงด้วยเห็นไหมท่านอัลลอฮ์สร้างมาเฉพาะแต่ของเราเนี่ยมันเหนื่อยด้วยหมดแรงด้วยก็พักผ่อนนอนได้ไม่มีปัญหาแต่อย่านอนโดยไม่มีน้ำขอกอัลลอฮ์พยายามมีน้ำน้มาดเจ็บน้ำนมาดเอาไว้ด้วยให้ทำตามสุนนะดะบีให้มากที่สุดนะทีในคัฟีกรานอธิบายบอกว่า มะลาอิกาเนี่ยนะถ้าเราเห็นมะลาอิกาเนี่ยนะจะกลัวไปหมดเลยนะตอนไหนรู้เปล่าอ่านสักสองสาเรื่องนะตอนที่มะลาอิกามาเอาวิญญาณนอะินนัลละดีนาตวัฟฟาฮุมุลมาลาอิกะทุซาลิมีอันฟุสฮุมฟีมะกุนตุมแท้จริงร้อเล่านะ เล่าให้นบีฟังว่ามุฮัมมัดตอนที่มาเละกามาเอาวิญญาณของคนที่ไม่เอ า, าศาสนามาเละกาจะถามบอกว่าฟีมาคุนตุมพวกคุณเนี่ยทำไมปล่อยตัวอย่างเนี้ฟีมากุนตุมทํำไมอยู่อย่างเนี่้อยู่อย่างเนี้อธิบายสักไง เตะตะก้อตอนเย็นๆบนันทึกตั้งนี่หลวงจอมเบาเลยนะแล้วกางเกงขาสั้นเสื้อก็ไม่ใส่แล้วทะเลาะกับเมียตบหน้าลูกมโหก็เกง่งพวกเราไม่ไปปล่อยตัวอย่างเงี้ยนี่มลิก้ามานี่อรรรลเล่าให้นบีฟังถ้าหากมุฮัมมัดสามารถเห็นได้นะ ว่ามาเลากาเนี่ยตอม า, มากระชากวิญญาณคนที่ร้องเลีย น, นะคนที่อาธรรมกับตัวเองนะมาเลากาจะจะตำหนิเรื่องที่สองครับว่าลาอตะรออิสยาตะวัฟลัดีนากาฟารุลมาเลกายาตอริบูนาวูฮะฮุมบาอาเดบาระฮุมสุระอัอฟาลอายะที่ห้าสิบ อรรรล่าให้น บ, บีฟังถ้าหันน บ, บีมันสามารถเห็นได้ตอนที่มาเลกามาเอาวิญญาณคนกาเฟลผู้ปฏิเสธเลยนะมาเลกาจะตบยากรีบูนะจะตบที่ไหนใบหน้าของของขอ ง, ของวิญญาณคนกาเฟลมันเจ็บไปถึงเจ้าของด้วยนะตบที่ใบหน้าวิญญาณเจ็บถึงเจ้าของด้วยนะแล้วก็ว่าอาดบาาตบกลางหลังด้วย อ่ะอะไรกะนน้องนึกภาพเลยตัวเล็กๆอย่างเป็ลูกเราเหรอนึกภาพด้วย อ, อ่ะอลอโอ้โหอาฆาตช่ายมือตบอย่างเงี้เปรี้ยงอะบรในมาหัวมาขันแบมตัวนู้นเหรอนึกภาพคระนี่เรื่องจริงทั้งหมดนะนี่มันทำหน้าที่ของมันเลยถาว่าเหนื่อยไหมที่ตบเนี่ยไม่ได้เหนื่อยสักนิดนึงอนะ่ะแล้วก็บเบื่อไหมไม่เบื่อด้วยนะเพราะว่าทําตามที่อลัลลอฮฺสั่งหมดเลยเอาตัวมาเรื่องที่สาม อินนั้น الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا و, ا, و, أ, ب ب و, ا, و أ ب, أ ب ا ا أ ا ش بالجنة เวลามมลัยก็มาเอาวิญญาณคนดีเอาคนดีบ้างนะพูดคนไม่ด <laughs> ีมาสองเรื่องแล้วจะกลัวกันแล้วเลยเอาคนที่นมาสะอาดคนที ي ي ่อยู่กับอัลลอฮ์ราซูลคนที่สรรเสริญอัลล ทำความดีกับพ่อแม่ไม่เคยตบหน้าภรรยาไม่เคยด่าหน้าไม่เคยไม่เคยด่าลูกมีเงินเมื่อเป็นภรรยาชายเนี่ยคนประเภทนี้นมาศครบห้าเวลาอ่านกุอ่านสม่ําเสมอตอนตายเนี่ยมลรัยกข้ามากกม า, มาตอนที่มามาเชิญมัจคาชากนะมาเชิญวิญญาณออกนะพูดอย่างนี้ลาตะคอฟูไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรื่องคงหน้า เดี๋ยวจะพาไปกูโบแล้วนะไม่ต้องกลัวที่กูโบมอาสาบไม่มีแน่นอนเวลาตาจันโนไม่ต้องไปกังวลกังวลเรื่องข้างหลังมีบ้านมีช่องมีออฟฟิศทางานเอาไว้เป็นห่วงลูกเป็นห่วงเมียไม่ต้องหวง่วงว่อับชิเดี๋ยวจะอัลลอฮ์จะส่งคนมาดูแลทำเท่าสบายใจไหมว่าอับบชิรูเบญจนาแล้วก็มาเล่าว่าคุณโชคดีแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ไปสวัสดีอัลลอฮ์นี่มาปลอบใจก่อนตายนะ่ะถามว่าดีหนระ้อไม่ดี เรามาแบบใบหน้าสวยงามกลิ่นหอมมีภาพกัฟฟันมาจากฝวนสวรรค์อัลลอฮ์ถามว่าอยากออกไว้วิญญาณอยากออกครับนี่อัลลอฮ์เล่ะะาในกบีอุราอานน บ, บีเล่าอกีกตอนไปนอนอยู่ในกูโบเนี่ยเขาฝังเสร็จแล้วนะมีมลัยก้าสององค์ชื่ออะไรนากิรกับมุ่งกันนี่เล่าให้ฟังเลยนะจะมาสอบคุณสามเรื่อง มารับบกามันนบีอยู่กับมันอิมาบกามเห็นไหมไมนจะสอบเรื่องอื่นเลยนบีตั้งเยอะนบีตั้งยีหท่านสอบนบีมุ hammad คนเดียวเห็นยังครับเจ้านั่นเรากับสุนทรนาบีเนี่ยเรากับมารยาของนบีต้องพยายามให้มันใกล้ๆ ก, กันอะ่ะอลัลลอฮ์กินตามนาบีนอนตามนาบีอยู่ตามนบีอัลลอฮ์พยายามเรียนน่ะนบีอยู่ยังไงอยู่ยังไงศึกษาหาความรู้เป็นอง ใครเป็นรอบทั้งท่านรู้จักกุเระาะไหมฉะนั้นต้อง อ, าอา่านกุรรานสม่าเสมอเป็นตัวช่วยอยู่ในกูโบนี่เล่าให้ฟังว่ามาลัยกาจะมาสอบอย่างนี้เป็นต้นเ อ, เอาแค่นี้ก่อนเอาต่อมาอายาที่หนึ่งรหว่าอินกานนละยาู ล, าลูว่าอินกานนละยาูลู ญาณีเลาเล่าเรื่องเรื่องคนอาหรับมุสริกในนครมักกะญาตินบีทั้งหมดนั่นแหละพูดว่าอย่างไรอ่าเล่าให้นบีฟังว่าอิงกาโนลายกู ล, ลและแท้จริงพวกเขามาถึงพวกอาหรับงมงายในนครมักกะที่ว่าอาหรับยาฮิลยียาในนครมักกะซึ่งเป็นญาตินบีเนี่ยนะลุงด้วย เพื่อนด้วยสารพัดพูดว่วงกี้ลายกูลูนเคยกล่าวไว้ก่อนที่นบีมุฮัมมัดจะถูกแต่งตั้งก่อนที่กุรอ่านจะถูกประทานลงมาถูกไหมพูดว่าไงครับลายกูลูนเขาพูดว่าเราอันหินดานะซิกรอมินอัลอววไล ลาอฺรุน น, นาอินดะนาซิกรอนมินัลอวลีนลาไปว่าถ้าอัน น, นาอินดะนาซิกรอิกรอนแปลว่าข้อตักเตือนถ้ามีข้อตักเตือนมีคําเตือนมาจึงมีนบีมามีกูรอานมาคําว่าซิกซิกเนี่น่ะตรงนี้หมาถึงมีนาบีมา แล้วก็มีอะไรนะมีคูรอรานมานี่คนอาับมุสลิมพูดนะเห็นใครแนละ้วมันก็เห็นพวกเบนิอิสรอีนไะงมีนบีอะไรมาเก็บนบียูสุบมาแล้วก็นบีอิบราฮิมก็เห็นนะพวกเบนิอิสโรอีนมีนบีมาเต็มเลยที่มักกะไม่มีนบีมาเลยมีมาอยู่คนเดียวนบีอิสมาอิลแลนะ้วมันแล้วก็หายไปเลยเป็นพันๆปีเขาก็พูดว่า เราอันนาอินดานาซิครอถ้าเราได้มีข้อตักเตือนหมายถึงในวงเล็บนะมีคำพีหรือมีนบีอยู่กับเราเช่นมีนันอาววารีนอาววารีนว่าคนในยุคก่อนๆพวกอาววารีนพวกซาบิกูนอาววารูนเห็นไหมน่าเดแล้วก็ชายก็อย่ยอหยิ่งอย่างนี้ใช่ อวหลูนส์คนที่ลุ ก, <ด>กโกลยุก่อนหน้านบีมุฮัมมัดมีใครบ้างก็มีนบีอีซามซสาอิลยายูซุฟยูนุษนี่นะถ้าเรามีนบีแบบนี้อยู่ในกลุ่มหมูมมมมม่บ้านเราเนี่ยอาพูดนะและ้วก็มีกุรานดมิสกัิาี ต, รตารอยอยู่กับเรานี่นะละกุนอิบาดวลลอฮิลมุคลาซน พูดดีมากเลยนะอายาที่หนึ่งรอยสิบเก้าน่ะหนึ่งร้อยหกสิบเก้าละกุนอิบดุลลอฮิลมุคลาซนเราก็จะเป็นอิบาดุลลอฮแปลว่าบ่าวผู้บ่าวของอัลลอฮ์อัลมุลาซนที่อะไรนะที่อิคลาสที่สุจริตอัลลอ์อิคลาสหัวใจสะอาดบริสุทธ เป็นเบาอัลลอฮ์หัวใจประดนึกถึงอัลลอฮ์องเดียวสรรเสริญต่ออัลลอฮ์องเดียวสู้อยู่ต่ออัลลอฮ์องเดียวจะไม่ทําชื่ออ่งใดๆต่างสิ่งพูดดีไหมนบีนะ่าไม่รู้หรอกถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ยิบรีมันเล่าจะรู้ไหมไม่รู้นี่เราก็เพิ่งรู้นี่เลาว่าโอ้พี่น้องมังกรก่อนญาตินบีเนี่ยผู้จะดีจะตายไป แล้วเราก็เล่าความมาแล้วเป็นยังไงอายที่หรยเสบกาฟารูบิฮ <oon> ิฟซาลมนอายสุดท้ายนี่จ้าฟากาฟารูบิฮิฟาซาอูฟายาลามนกาฟรูบิฮิถึงนะพวกเขานี่นะปฏิเสธ หลังจากมาแล้วนะผู้นบีมูฮัมหมัดมาเป็นญ่าติตัวเองมาชื่อมูฮัมหมัดบินอับดุลลอใช่ไหมคุณแม่ชื่ออามินนะรู้ประวัติหมดเลยก่อนหน้าจะเป็นนบีทุกคนยอมรับว่านาบีเป็นคนดีหรือไม่ดีดีแต่ชื่อว่าอะไรอัลอามีนแต่พอถูกตั้งให้เป็นจริงๆข้ารับหรือไม่รับเห็นอย่างเห็นอย่างครับถูกตั้งให้เป็น ที่แรกบนอยากจะมีอะไรนะอยากจะมีคำพียอยากจะมีนบีคนดีๆมาอยู่ในกลุ่มหน่อยเราจะได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีพอมาแล้วเป็นยังไงฟากาฟารูพวกเขาได้ปาติเสออธิบายต่อได้อีกม่ตยบุญเดียวไล่ด้วยมาให้อยู่ในนครมกกาใช่หรือไม่ใช่อา <laughs> จารย์เราก็ต้องนึก บ้านเราวันนี้น่ะมีตัครูอยู่มีตัวศาสนาอยู่ใครสนใจศาสนากี่คนอ่ะก็มันต่างอะไรคนคนระดับหรือเปล่าต้องนึกนะมีมัสยิดคนเข้ากี่คนนึกนานี่ตำแหน่งของเราบ้างนะข้าว่าวันศุกร์บางคนไม่เคยมาเลยวันอีวันวันวันธรรมดาไม่เคยมาสุราทำชีวิตมีไหมมีครับสุบบไม่เคยมาเลยมีเปล่า มีแต่มากก็ไม่ได้กูไม่ได้ขอข้าวมึงกินอ่ะแล้วศาสนาไม่เคยฟังเลยนะแอนตี้ตลอดเนี่ยแอนตี้แอนตี้แอนตี้แล้วได้อะไรบ้างอ่ะขาดทุนเนี่ยฉะนั้นอ่านคนุณอ่านเธอเอาว่าจะได้เปิดหูเปิดตาเราเองน่ะเนี่ยเรามีมัสยิดมีหมู่บ้านมีญาติพี่น้องที่ไม่เอาศาสนาเยอะไหมเราพอจะมีศาสนาบ้าก็เป็นห่วงใช่ไหมล่ะอยากจะไปคุยกะะับครับมึงอย่ามายุ่งกับกู มึงไปมึงอเลมยู่ครดีอุปมาไปไ ป, ปนี่เป็นภาษาเนี่ยออกมาจากญาตินอกหมดเลยเอ็งเอาอะไรมาสอนทางพาตินอแ ก, กแต่แยกกันใช่ไหมอัสว น, านนาบีบอกรอดไม่ได้แตกแยกกันไม่ได้ไม่ห้ามสอนอยู่อย่างงี้แหละอยู่แบบไม่เรียนนะพิษมุดเลยฉะนั้นฟากาฟาลูบีเมื่อมาแล้วนะพวกนี้ปฏิเสธปฏิเสธบีฮีมาเยอ อัลกุรอานก็ได้นาบีก็ได้คําสอนของนาบีด้วยก็อธิบายได้หมดเลยไม่เอาอ่ะไม่เอายังเดียวไม่ว่านะยังด่าอีกนะยังขับไล่นาบีอีกออกจากนครมา ก, กถ้าอัลลอฮ์ไม่ช่วยนะโอ้โหเั็นพิแถ AH วที่อัลลอฮ์ช่วยมาช่วยมาชาติอิสลามเนี่ยจะถูกด่ามากขนาดไหนก็ตามอัลลอฮ์จะช่วยให้มุสลิมรอดให้อิสลามรอดให้สุนัขนาบีรอดจนกว่าจะถึงวันวันที่จะมา แน่นอนครับอิสลามจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเกิดอไรเรื่องเรื่องลดไปไมมีแต่เพิ่มขึ้นฟาซาฟะยาละมูลคนที่ปฏิเสธอลล l a h ไม่เอาอลวันนี้อล l l a h เลี้ยงโลกเดียวนะไอ้ว่าสุดท้ายฟาซาฟะยาละมูลและในไม่ช้าพวกเขาจะได้รู้ว่าคนที่ไม่เอาอิสลามน่ะจะพบกับอะไร ซาวฟ้าในอดีตในอนาคตเนี่ยอาร้าอนให้โลกเดียวอยู่ไปเถอะผม um, อ่านเรื่องอะไรคนที่เป็นสอสเนี่ยเขาดูให้ดูได้ได้อีกแปดคนเนะดือนเป็นหมื่นนะแต่ไม่มีใครเรียงรองสู่อารมณ์สักคนนะเห็นไหมอาร้อนไม่ว่าอะไรก็ไปไม่เคยพูดอารมณ์สักคำนะ นี่กฎหมายของมุสลิมจะเข้าสภาวันวนที่ไรของที่ซีมาเนี่ตําแหน่งอะไระไรายรายเมียก็ติดตามข่าวอยู่นะผมกฟฟม็แฟผมก็เล่นงานอย่างนะอะไรแต่อะไรก็คือต้องก็ติดตามเองเก่งเก่งกับผมไปแล้วอืฉะนั้นไม่เอาอิสลามบนโลกนี้อัลลอฮ์ให้อยู่ได้ไหมได้แล้วก็อยู่แบบสบายด้วยนะไม่ตม้องทำมาสโบร์น่ะดีไม่ดี ล, ล่ะเราเข้าวบารก็ได้นี่โควิดมาเนี่ยเตือนนะ เองข้าวบารนายขับไม่ได้แล้วนะบอลการพ น, นันเลิกแล้วนะนี่คืท่านทาจะปวดแล้วจะมาเพอโควิดมันเบาลงเบาลงเบาฟาซาฟายาละมลูลผนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธ อ, อิสลามปฏิเสธ น, า น, นา้าอับีฟาซาว้านไม่ช้ายาละมูลพวกเขาจะได้รู้ว่าผลสะท้อนของมันเป็นอย่างไงเรื่องจริงครับไม่ใช่เรื่องที่เล่าคนตรงตัวเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเพราะเราเป็นคนสองโลก Lok dunia kan, lok a k h i r a t Subhanallah, k a u m m a w a b i hamdikan s h a l a i l a h a ila l a z t a g h f i r l k a w a a t u b u i l a i m